เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรม ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2552เป็นวันพระวันธรรมสวรา วันฟังธรรมวันที่เรามาเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการเจริญเหตุที่จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลทั้งหลายดำ่ในพระบาลพระบาลีที่ทรงตรัสว่า กาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังกรลโมตมังการได้ยินได้ฟังทำตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตพระพุทธเจ้าทรงเห็นคุณค่าของการฟังเทศฟังธรรมเพราะเป็นการศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่จะได้รู้จักแนวทางที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อจะได้นำเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความก้าวหน้าถ้าได้ยินได้ฟังอย่างสม่ำเสมอตามการตามเวลา คือตามวันธรรมมะสวนาวันฟังธรรมเช่นวันนี้เราก็จะได้ความรู้ความฉลาดความเห็นที่ถูกต้องและจะหายสงสัยในเรื่องต่างๆที่เรายังสงสัยกันอยู่เช่นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องเวียนไหวตายเกิดเรื่องของกรรมถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อย เ, เราก็จะได้รับการอธิบายให้เกิดความเข้าใจเมื่อเรามีความเข้าใจมีความหายสงสัยในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เราก็จะได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้อย่างเต็มที่อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจอย่างไม่ไรังเลยใจดังนั้นในเรื่องต้นเราต้องหมันศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอเมื่อฟังไปไหวเข้า บ่อยเข้าสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจดีขึ้นเข้าใจเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดได้ดีขึ้นจนหายสงสัยในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เพราะนรกและสวรรค์ที่พวกเรา เข้าใจกันหรือที่ได้รับการสั่งสอนมานั้นอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักความจริงตามหลักพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าเรายังเข้าใจว่านารกหรือสวรรค์นี้เป็นสถานที่เช่นสวรรค์อยู่บนอยู่เรื่องบนนรกอยู่ใต้ดินอย่างนี้ สวรรค์อยู่ในอวกาศอยู่ในท้องฟ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่เป็นความเห็นที่ถูกต้องเพราะนารกก็ดีสวรรค์ก็ดีนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายใจนี่แหละเป็นที่ตั้งของไตรภพของกามภพรูปภพ อรูปภพเป็นที่อยู่ของเทพของพรหมของมนุษย์ของเดรัจฉานของเปรตของอสุลกายของสัตว์นรกทั้งหลายไม่ได้อยู่ตามสถานที่ที่ร่างกายของเราอยู่กันเช่นอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่พัทยาอยู่ที่เชียงใหม่ เรืออยู่ที่ประเทศอื่นๆในโลกนี้สถานที่เหล่านั้นเป็นที่อยู่ของร่างกายแต่ไม่ใช่เป็นที่อยู่ของใจที่อยู่ของใจอยู่ในใจนี้เองถ้าใจเป็นมนุษย์ใจก็จะเป็นมนุษย์ถ้าใจเป็นเดราจฉานใจก็จะเป็นเดราจฉาน การจะเป็นมนุษย์หรือการเป็นเดรัจฉานหรือเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์นี้ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ใจเป็นผู้กระทำเช่นวันนี้ญาติโยมมาทำบุญมาละกรรมละบาปอย่างนี้เรียกว่าเป็นการสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นภายในใจ เป็นการกำจัดนรกให้อยู่ห่างจากใจถ้าเรารักษาศี่ห้าได้อย่างบริบูรณ์เช่นพระโสดาบันอย่างนี้เราจะไม่ใจของเราจะไม่ไปสู่อบายอีกต่อไปใจจะไม่เป็นเดราาัจฉานจะไม่เป็นเปรต จะไม่เป็นอสุรกายจะไม่เป็นสัตว์นรกเพราะใจมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการทำผิดศีลนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้ใจกลายเป็นอบายไปและเมื่อไม่ทำไม่ละเมิดศีลห้าโดยเด็ดขาดแล้วใจก็ไม่สร้างเหตุ ที่จะทำให้ใจรายเป็นอบายไปนี่แหลคือเหตุที่ทำให้พระโสดาบันไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปเพราะใจของพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมธรรมที่เห็นก็คือกฎแห่งกรรมนี้เองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้กระทำก็คือใจผู้ที่รับ ผลก็คือใจไม่ใช่ผู้อื่นร่างกายนี้ไม่ได้รับผลจากกรรมที่ทำมาร่างกายนี้เมื่อตายไปแล้วก็กลายสภาพเป็นดินน้าลมไฟไปไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์ผู้ที่ไปนรกไปสวรรค์คือใจใจนี้เป็นของที่อยู่กับกาย ใจเป็นนายกายเป็นบาวใจได้ร่างกายนี้มาครอบครองตอนที่มีการปฏิสนธิในท้องของมารดาเมื่อเชื้อของพ่อมาผสมกับเชื้อของแม่แล้วมีดวงวิญญาณคือดวงใจนี้มาครอบครองการปฏิสนธิก็จะเกิดขึ้น เมื่อมีปฏิสนธิแล้วการเจริญเติบโตของร่างกายก็จะเริ่มขึ้นพอเจริญเติบโตจนไม่สามารถอยู่ในท้องของแม่ได้แล้วก็จะถูกคลอดออกมาร่างกายที่คลอดออกมานี้จึงมีทั้งใจและกายมาด้วยกันถ้าไม่มีใจแล้ว การปฏิสนธิก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้การตั้งครรภ์ก็ไม่เกิดขึ้นได้การคลอดลูกก็จะไม่มีตามมาเมื่อคลอดออกมาแล้วต้องมีสองส่วนคือมีกายกับใจกายนี้มีอายุไข80แปสิบปีเก้าสิบปีหรือร้อยปีมันก็จะหมดสภาพไป แต่ใจนี้ไม่มีอายุไขใจนี้เป็นอาการิโกคือไม่เสื่อมสลายไปตามกาลตามเวลาเหมือนกับร่างกายพอร่างกายแตกดับไปแล้วใจก็ออกจากร่างไปตามอำนาจของบุญกรรมที่ได้ทำไว้ ถ้าใจเป็นเปรตก็จะไปเกิดเป็นเปรตถ้าใจเป็นนรกก็จะไปตกนรกถ้าใจเป็นเดรัจฉานก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆถ้าใจเป็นมนุษย์ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าใจเป็นเทพก็จะไปสวรรค์ชั้นเทเถ้าใจเป็นพรหมก็จะไปสวรรค์ชั้นพรหม ถ้าใจเป็นพระอริยเจ้าก็จะเป็นอริยเจ้าทั้งหมดนี้อยู่ที่ใจอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจใจจะสูงใจจะต่ำก็คืออยู่ที่บุญหรือกรรมที่ทาไว้นั่นเอง ถ้าทำบุญไม่ทำบาปไม่ทำกรรมใจก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าใจไม่ทำบุญทำแต่บาปใจก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆนี่เป็นกฎของธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สำคัญเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สามารถ ไปลบล้างความจริง อ, อันนี้ได้ทํากรรมก็จะต้องทำให้ใจตกต่ำทําบุญก็จะทำให้ใจสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นทํากรรมทาบาปใจก็จะต่ำลงไปมีทุกข์มากขึ้นมีการเวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าทําบุญมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นของพระอริยเจ้าภพชาติก็จะเหลือน้อยลงไป<ม>เช่นถ้าได้ขั้นแรกของพระอริยเจ้าภพชาตินี้จะเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเท่านั้นแล้วถ้าปฏิบัติสูงขึ้นไปเรื่อยๆพอไปถึงขั้นพระอรหันต์แล้วภพชาติก็จะหมดไป ไม่มีการไปเกิดใหม่อีกต่อไปใจไม่ไปเป็นนั่นเป็นนี่อีกแล้วใจเป็นนิพพานไปแล้วเป็นประมังสุขขังไปแล้วนี่เป็นผลที่เกิดจากการทาบุญละบาปและชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตัดความโรคความโกรธความหลงทั้งหลาย ให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าพวกเราปรารถนาความสุดความเจริญไม่ปรารถนาความทุกข์ความเสือ่อมเสียต่างๆเราก็ต้องทำแต่บุญละบาปและถ้าเราต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เราก็ต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือเรื่องของใจเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เป็นอย่างนี้ถ้าเราได้รับความรู้แล้วเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ตรัสาวกทั้งหลาย ได้รับกันคือได้เกิดในสุขติไปตามลำดับจนถึงขั้นพระอริยเจ้าแล้วก็จะตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่มีหลงเหลืออยู่อีกเลยถ้าใจได้รับการชำระติเลสให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วใจสะอาดบริสุทธิ์แล้ว ใจก็จะไม่มีเชื้อที่จะไปสร้างภพสร้างชาติอีกต่อไปใจก็จะเป็นพระนิพพานไปพวกเราทุกคนจึงมาทำบุญกันเพราะเราไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันมีแต่ความทุกข์ เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตาต้องพัดพรากจากสิ่งต่างๆที่เรารักต้องประสบกับสิ่งต่างๆที่เราไม่ปรารถนากันไม่ว่าจะเป็นพบไหนชาติไหนก็เป็นอย่างนี้แม้จะเป็นสวรรค์ชั้นคองก็มีอันเสื่อมหมดไปได้ ผมก็ตายได้พระพรหมนี่ก็ตายจากพระพรหมก็ลงมาเกิดเป็นเทศพอตายจากเทศก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญสร้างกรร ม, มถ้าสร้างแต่กรรมก็ลงไปเกิดเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกนี่คือ เรื่องของตัวเราของชีวิตเราเป็นอย่างนี้ไม่มีใครสาบให้เราไปนรกได้ไม่มีใครส่งให้เราไปสวรรค์ได้มีแต่ตัวเรานั่นหละนั้นนี้เองที่จะเป็นผู้ส่งเราไปดังนั้นถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เราก็ต้องทำบุญต้องรักษาศีลต้องมีฮิริโอตปะ ถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้เราก็จะไปสวรรค์ได้เช่นทำบุญให้ทานอย่างที่เรามาทำกันในวันนี้แล้วก็รักษาศีลให้ศีลห้าไว้ให้มั่นคงอย่าละเมิดถ้าละเมิดก็ขอให้เป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยอย่าละเมิดด้วยความตั้งใจมีเจตนาเพราะใจของพวกเรานี้ ยังไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันใจของเรายังวอกแวกอยู่บางเวลาก็มีศรัทธาบางเวลาก็ไม่มีศรัทธา mm. เวลาที่มีอารมณ์ไม่ดีมารุนแรา mm. ก็จะขับให้ศรัทธานี้หายไปได้ทำให้กล้าละเมิดสิ่งได้ แต่ถ้าเราหมั่นรักษาศีลอยู่อย่างสม่ำเสมอต่อไปเราก็จะมีความแน่องนงมั่นคงกับการรักษาศีลและถ้าเราได้ปฏิบัติสูงขึ้นไปต่อไปเราก็จะรักษาศีลห้าได้อย่างเต็มที่ถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่าชั้นเทพ ก็ต้องทำการเจริญจิตถภาวนาควบคู่ไปกับการทาบุญให้ทานกับการรักษาศีลเพราะสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นอริยเจา้านี้ต้องขึ้นไปสูงกว่าชั้นเทพต้องอาศัยบุญมากกว่าบุญของชั้นเทพถ้าทำบุญให้ทานรักษาศีล จะไปได้แค่ชั้นเทพเท่านั้นถ้านั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบด้วยก็จะไปถึงชั้นพรมได้เวลาจิตที่สงบนี้เรียกว่าจิตเป็นฌานฌานนี้ก็เป็นสวรรค์ชั้นพรมแล้วเวลาจิตสงบนิ่งมีความสุขขณะนั้นจิตได้สร้างพรหมโลกขึ้นมาในจิตของตนแล้ว ถ้าสามารถสร้างได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นความสงบอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็จะได้สวรรค์ชั้นผรเวลาตายไปก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นผรแต่ถ้ายังอยากจะขึ้นไปสูงกว่านี้เพราะว่าสวรรค์ชั้นเทพก็ดี ลืมสวรรค์ชั้นถก็ดีนี้ยังมีการเสื่มได้ถ้าไม่ทำอยู่เรื่อยๆพอกำลังของสมาธินี้หมดไปชาญหรือความสงบของจิตก็จะหมดไปจิตก็จะเริ่มปรุงแต่งเริ่มมีความโลภมีความอยากในกาลารถก็จะขยับลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพ แล้วถ้าไม่รักษาไม่ปฏิบัติก็จะเสื่อมลงมาสู่ชั้นสวรรค์ชั้นของมนุษย์เมื่อกลับมันเป็นมนุษย์ก็ต้องมาสร้างบุญสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาใหม่ถึงจะกลับขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นขมได้แต่ถ้าอยากจะไม่กลับลงมาเลยก็ต้องบงเพ็ญ จิตตภาวนาอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนานอกจากสมถาภาวนาแล้วต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาอีกขั้นหนึ่งถ้าได้แต่สมถาภาวนาก็จะได้แค่สวรรค์ชั้นโผลแล้วก็จะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นังจากที่ บุญที่ได้สร้างไว้ในสวรรค์ชั้นโถมนั้นหมดไปแต่ถ้าเราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็เจริญวิปัสสนาภาวนาเจริญปัญญาสอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาเกี่ยว ข, อข้องมาครอบครองนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุข ถ้าไปหลงยึดติดไม่ใช่ตัวเราของเราไม่อยู่กับเราไปตลอดถ้ารู้อย่างนี้ก็จะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆพอไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆใจก็จะเข้าไปสู่ระดับของพระอริยเจ้าเมื่อเข้าสู่ขั้นอริยเจ้าแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาจาก จากขั้นอริยเจ้ามีแต่จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆตามอำนาจของการเจริญวิปัสสนาและสมถภ า, ภาวนาสลับกันไปเจริญวิปัสสนาแล้วก็กลับมาทำจิตให้สงบให้เป็นสมถภ า, ภาวนาพอจิตสงบแล้วก็ออกมาเจริญวิปัสสนาให้รู้จ้งเห็นจริงในในเรื่องของายรัก ที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเห็นตายรักในส่วนต่างๆจนหมดสิ้นแล้วใจก็จะปราศจากความหลงเมื่อไม่มีความหลงแล้วก็จะไม่มีความโลภเมื่อไม่มีความโลภ ก, ก็จะไม่มีความโกรธเพราะความโกรธนี้เกิดจากความโลภเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจ ก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าไม่ได้อยากแล้วใจก็จะเฉยเฉยจะไม่โกรธก็ไม่มีอะไรทาให้โกรธนั่นเองส่วนความโลภนี้ก็มาจากความหลงที่หลงคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นที่พึ่งของใจเป็นสิ่งที่ให้ความสุขแก่ใจ แต่เมื่อได้พิจารณาได้เจ ร, ริญวิปัสสนาแล้วก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีแต่จะให้ความทุกข์แก่ใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวร อ, อยู่กับเราวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะไม่อยู่กับเราหรืออยู่กับเราพรุ่งนี้แต่ไม่ได้เป็นเหมือนวันนี้วันนี้ดีพรุ่งนี้อาจจะร้ายขึ้นมาก็ได้ พอไม่ดีแล้วก็จะทำให้เราต้องทุกข์เศร้าโศกเสียใจถ้าพิจารณาจนเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วใจก็จะปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้สิ่งต่างๆเหมือนกับเมื่อก่อนนี้ใจสามารถอยู่ได้โดยไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายนี้ไม่ใจก็ไม่ต้องอาศัย ร่างกายนี้ตายไปใจก็ไม่เดือดร้อนใจก็ไม่ตายไปกับร่างกายใจกลับมีความสุขมากกว่าตอนที่มีร่างกายเสีย อ, อีกเพราะเวลามีร่างกายก็ต้องเป็นภาวะต้องคอยดูแลต้องคอยหาอาหารนารับประทานต้องคอยอาบน้ำอาบท่าต้องทำงานทำมาหากินมีแต่เรื่องเหน็ดเหนื่อย ให้ใจต้องมาแบกมาหาเพอไม่มีร่างกายแล้วใจก็อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่มีภาระที่จะต้องมาแบกมาหามอีกต่อไปใจนี้ที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็จะเป็นใจของพระพุทธเจ้าหรือใจของพระอาหารหันต์ที่เราแยกก็พระ พุทธเจ้าจากพระอาหารหันต์นั้นก็อยู่ตรงที่ว่าพระพุทธเจ้านี้สอนตัวเองให้ทําให้ใจของตนสะอาดบริสุทธิ์ส่วนพระสาวกนี้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างพวกเราที่กำลังได้ยินได้ฟังในขณะนี้ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพ่ะพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้จักวิธีชาระใจ ของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ทำใจของเราให้เป็นพระนิพพานขึ้นมาแต่ถ้ามีคนสั่งสอนมีธรรมะของพระพุทธเจา้าพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็สามารถทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้พอใจของเราสะอาดบริสุทธิ์เราก็เป็นพระอาหารหันตตะสาวกขึ้นมา แต่เราไม่สามารถเรียกตัวเราเองว่าพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะเราไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเราเองเราเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าอีกต่อห น, นึ่งส่วนพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เรียนรู้จากใครวิธีทาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นพระนิพพานนี้พระพุทธเจ้าเรียนรู้ด้วยตนเอง เราจึงเรียกท่านว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสั้โดยชอบด้วยพระ อ, องค์เองนี่คือความแตกต่างระหว่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกแต่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันไม่แตกต่างกันใจของพระสาวกก็สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับใจของพระพุทธเจา้า ใจของพระสาวกไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดก็เหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่มีความแตกต่างกันต่างกันตรงที่ว่าทำเรียนรู้ด้วยตนเองหรือต้องอาศัยผู้เป็นผู้สั่งสอนในพระพุทธศาสนาของแต่ละยุคแต่ละสมัยจึงมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว นอกนั้นเป็นพระอาหารหันต์ต า, าวคเพราะต้องเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเพราะการที่จะมาเรียนรู้และทำใจของตอนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นั้นไม่ได้เป็นวิสัยของมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราที่จะทำกันได้ต้องเป็นวิสัยของพระโพธิสัตว์เท่านั้นผู้ที่ได้สะสมบุญบารมีมาหลายกับหลายกามด้วยกัน ถึงจะสามารถตัดสร้เป็นพระอาหารหันต์ตัสา ม, มาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองบารมีของพวกเรานี้อย่่งมากก็ได้แค่เป็นพระอาหารหันต์ตสาวกเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างใดเพราะอนิสงส์ก็ได้เท่ากันเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตาย เป็นพระอาหารหันตสาวกก็ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะมีศรัทธาหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังพ่อธรรมคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเรามีศรัทธาแล้วนำไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็จะได้รับผลที่พระ พุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตัดสาวกทั้งหลายได้รับกันอย่างแน่นอนดังนั้นหลังจากที่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วขอให้เรานำเอาไปพิจารณาไคร่ตรวงเพื่อให้เกิดศรัทธาเพื่อจะได้นำเอาไปปฏิบัติต่ตอไปจึงขอฝากเรื่องของการมาเสริมสร้างความเป็นสิริงมงคลแก่ชีวิตในวันพระด้วยการฟังเทศฟังธรรมนี้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 โดยทั่วหน้าการเธอ